ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจในส่วนที่เป็นกุศลร่วมรับคำอนุโมทนาพรจากหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกอย่างพร้อมเพียงกันยะถ า, าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนาราสูยถามณิโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพพโรโค ο. วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะ อาภิพวาธนสีลิสนิทยังวุทธาปจายิโนจัตตารโรธรรมมาวัทานิอายุวันโนสุขังภาลังเพราะวะตูสัพพะมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ สถทโสถีภาวนตุเต